มึงจะรีบแข่งกันไปตายหรือไงวะผมหลุดปากอย่างเหลืออดไม่ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์สองคันแผดเสียงดังสนั่นจากมุมถนนที่เห็นไกลๆแม้ตรงที่เรานั่งคุยกันจะห่างจากถนนแต่ก็ได้ยินเสียงคำรามแสบแก้วหูไอพวกนี้มันคว้านเถาะไอเสียให้ชาวบ้านเขาหนวกหูเล่นกันแท้ๆลุงชื่นพูดด้วยน้ำเสียงรำคาญวันนั้นเป็นเย็นวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมหลังจากที่ผมเลิกงานสอน ลุงชื่นแวะมาที่บ้านพักครูหลังโรงเรียนเรานั่งคุยกันตรงนอ ก, กระเบียงหลังบ้านชั้นบนซึ่งผมใช้รับแขกเป็นประจำจา ก, กระเบียงตรงที่นั่งมองออกไปด้านนอกรั้วมองเห็นถนน ท, นที่โค้งจากด้านหลังบ้านผ่านหน้าโรงเรียนเข้าตัวอำเภอระหว่างด้านนอกรั้วกับถนนขั้นด้วยนาแปลงเล็กๆที่มีข้าวกำลังออกรวงเหลื้ยงอารามลุงชื่นเป็นพนัก ง, งานเทศบาลเก่าที่กเกษียณราชการอาสามาช่วยงานโรงเรียนเป็นประจำ บ้านของลุงชื่นเองก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเท่าไหรนะ่นักลุงชื่นยังแข็งแรงกว่าวัยที่ใกล้เจผอมเกรงผิวขาวต่างกับชาวบ้านท้องถิ่นคนอื่นแต่ว่าผมขาวโพลนลุงชื่นทำได้สารพัดไม่ว่าจะเป็นช่างไฟช่างปูนหรือช่างไม้แม้แต่งานซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆไปจนถึงงานใหญ่ๆอย่างจัดทำเวที เวลามีงานรื่นเริงหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่จากกรุงเทพมาเยี่ยมโรงเรียนของเราพวกครูที่โรงเรียนรวมทั้งผมเรียกแกเล่นๆว่าสารพัดช่างหากมีงบประมาณตั้งไว้ทางโรงเรียนก็ให้เป็นค่าเหนื่อยส่วนงานเล็กๆ น, น้อยๆไม่มีค่าจ้างลุงชื่นแกก็ไม่ได้เรียกร้องเมียของลุงชื่นตายไปหลายปีแล้วลูกชายและก็ลูกสาวของแกก็ออกเรือนกันไปหมดตัวของแกก็มีฐานะลําพังเงินบํานาญก็อยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน ลุงชื่นก็เป็นคนเก่าแก่ของอำเภอจึงเป็นที่รู้จักกับชาวบ้านในแถบนั้นแทบทุกบ้านกับผมนั้นชอบพอกันเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นนักนิยมพระเครื่องด้วยกันอีกอย่างหนึง่งตอนนั้นผมก็ยังไม่มีครอบครัวลุงชื่นจึงแวะมาที่บ้านพักครูหลังโรงเรียนอยู่บ่อยๆพวกที่นิยมพระเครื่องอย่างพวกเราก็มกักมานั่งคุยกันเอาพระออกมาส่องได้พระองค์ใหม่มาก็เอามาอวดกันแลกเปลี่ยนกันบ้างผมกับลุงชื่นก็อยู่ในข่ายนี้ ขาประจำที่บ้านของผมนอกจากลุงชื่นแล้วนั้นบางทีก็มีประหลัดสมานปลัดอำเภอซึ่งเป็นนักนิยมพระอีกคนหนึ่งส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์พวกเราก็มักไปนั่งสังสรรค์กับพวกคอเดียวกันที่แผงพระเครื่องข้างธนาคาร อ, อมสินหรือที่ร้านตัดผมช่างหนูในตลาดลุงชื่นมองตามรถมอเตอร์ไซค์2คันนั้นจนลับโค้งไปพูดต่อด้วยน้าเสียงราบเรียบสมัยให้ก่อนผมต่อโล่งให้พวกวัยรุ่นคนองแบบนี้มาเยอะ ไม่อยากกรู้ว่าลุงต่อลงศพก็เป็นด้วยโอ้ยช่างไม้รุ่นผมน่ะเป็นทุกอย่างละครูต่อลงเนี่ยไม่ได้อยากเย็นอะไรมีเครื่องมือครบไม่เกิน3ามชั่วโมงก็เสร็จแล้วผมดินน้ําชาจากกาให้ลุงชื่นก่อนที่จะดินเบียรให้กับตัวเองลุงชื่นนั้นไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียแต่ก็นั่งคุยกับผมได้นานๆทําไมเขาให้ลุงต่อลงซื้อเอาไม่ง่ายกว่าล่ะครับครูเห็นร้านขายลงศพตรงหน้าวัดใช่ไหมร้านนั้นเนี่ยมันเพิ่งมาเปิดไม่นานนี่เอง แต่ก่อนอำเภอเราเนี่ยไม่ได้มีร้านขายลงมีคนตายทีก็ต้องเอารถไปซื้อจากตัวอำเภอตัวจังหวัดพวกญาติเขาก็ยุ่งกับการเตรียมจัดงานไม่มีเวลาไปซื้อส่วนมากก็อาศัยจ้างช่างไม้ต่อโรงเอาอ๋อลุงก็เลยรับจ้างต่อโรงด้วยช่างคนอื่นเขาทาแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้รับนะเพราะว่างานประจําที่เทศบาลมันก็เยอะอยู่แล้วนอกจากคนที่ชอบพอกันมาขอร้องก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไง ค่าจ้างค่าอ้อนก็นไม่ได้เรียกร้องเขาคิดเพียงแค่ข่าไม้ได้บุญดีนะครับผมนึกถึงคนที่เขาบริจาคลงให้กับศพที่ไม่มีญาติซึ่งว่ากันว่าได้บุญเยอะพูดถึงเรื่องต่อโลงเนี่ยช่างฝีมือทั่วไปเขาถือไม่ค่อยรับทำกันหรอกนอกจากช่างที่มีอาชีพทางนี้โดยเฉพาะเขาว่าเครื่องมือช่างที่เอาไปใช้ต่อโลงผีแล้วเอาไปหากินไม่ขึ้นจริงเหรอครับลงุงผมเพิ่งเคยได้ยินนะ คนรุ่นก่อนๆเนี่ยบอกกันมาแบบนั้นครูช่างไม้ของผมเนี่ยถ้าแกต่อโลงเสร็จก็ต้องเอาเครื่องมือทุกอย่างทั้งค้อนทั้งสิวเอามาเรียงกันแล้วก็ทำน้ามนพรมลุงชื่นอธิบายอ่ะถ้าอย่างนั้นต้องนิมนต์พระด้วยไหมครับอ๋อไม่หรอกเราทำกันเองพวกช่างไม้รุ่นเก่าเนี่ยก็ทำเป็นกันทุกคนเขาเรียกว่าน้ำมนธรณีสารใช้ปัดเสียจันไรทุกอย่าง เวลาตัวเงินตัวทองขึ้นเรือนหรือว่าแรงบินมาเกาะหลังคาบ้านเนี่ยคนแต่ก่อนนะเขาก็ถือกันว่าเป็นอุบาทก็ต้องทําน้ำมนต์ธรณีสารเนี่ยรสซะลุงชื่นว่าถึงแบบนั้นเชียวหรอครับใช่นะสิคนสมัยเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเรื่องพันนี้กันหรอกลางร้ายพวกนี้คนโบราณเขาเชื่อหมดไม่ว่าจะเป็นอุบาทพระอินอุบาทพระกาลเวลามีคนป่วยในบ้านนะทานกแสบบินข้ามหลังคาแล้วเกาะอย่างเนี้ยไม่มีทางรอดเขาเรียกอุบาทพยม แม่ตั้งชื่อซะน่ากลัวเลยนะลุงไม่ได้ตั้งกันเองนะครูเขามีในตำราชื่อตำราอภิไทยโพธิบาทนี่แหละนะซึ่งเป็นของเก่าของไทยเราบอกไว้อย่างละเอียดว่าอย่างไหนลางดีอย่างไหนลางร้ายถ้าร้ายก็จะต้องแก้ไขกันยังไงถ้าดีก็จะต้องทําพิธีรับกันยังไงลุงช่วยเล่า ว, วิธีทาน้ำมนต์ที่ว่านี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ โอ้ยไม่มีอะไรยากหรอกคุณครูเอาน้ำสะอาดใส่คันเขาจุดทูบจุดเทียนสวดมนต์ว่าคาถาให้จบหยดเทียนลงในขันน้ำมนต์แล้วเขาใช้คาถาอะไรสวดกันนะครับลุงเขาเรียกองค์การเท้ามหาพรหมถ้าครูอยากได้เดี๋ยวผมจะจดให้ตอนแรกก็ต้องชุมนุมเทวดาซะก่อนนะขึ้นต้นด้วยสักเคกาเมจรูเปสรีสิคา ร, ราตเต จไไม่ได้รอกุมนุมเทวดาเสร็จก็ว่าคาถาแบบนี้องค์การพินทุนาถังอุปปนังพรมมาสหะปตินามะอาทิกัปเปสุอาคโตปันจะปะทุมังนะโมพุทธายะวันทานังตอนท่องคาถาลุงชื่นทำเสียงเหมือนพระที่กำลังสวดท่าทางน่าเลื่อมใสมองออกไปทางด้านนอกรั้วเหมือนกำลังจะลํำลึกถึงวันเก่าๆสักครูน่นึงก็ทาท่าเหมือนนึกอะไรออกพร้อมกับหันมาทางผม อ๋อพูดถึงเรื่องต่อโรงผีเนี่ยผมเจออะไรแปลกๆอยู่หนึ่งนะแม่พูดแล้วขนลุกลุงชื่นห่อไหลทำท่ายกแขนให้ผมดูก่อนที่จะพูดต่อครูรู้จักร้านขายเครื่องก่อสร้างข้างโรงพักใช่ไ้มอ๋อเคยไปซื้ออยู่หลายหนครับร้านนายสมชายใช่ไหมลุงเออนั่นแหละสมชายน่มันเป็นรุ่นลูกพ่อเขาชื่อยงตายไปได้ประมาณสักน่าจะสิบกว่าปีที่แล้วนะลุงชื่นมองออกไปทางถนนราวกับจะนึกถึงความหลัง สักครู่ก็เริ่มเล่าว่าเท่าแก่ยงเป็นคนจีนรุ่นแรกๆที่มาอยู่ในอำเภอนี้ตอนแรกก็เปิดร้านขายของเล็กๆน้อยๆ อ, อยู่ในตลาดทำงานค้าขายสร้างตัวด้วยความซื่อสัตย์จนในเวลาไม่นานนักก็มีฐานะมั่นคงเป็นเจ้าของตึกแถวหลายคูหาและก็ร้านเครื่องมือก่อสร้างใหญ่โต ชาวบ้านร้านตลาดพากันรักใคร่และก็นับถือแกเพราะว่าเท่าแก่ย้งเป็นคนอบอ้อมอารีใครมาขอความช่วยเหลืออะไรถ้าช่วยได้เท่าแก่ย้งก็เป็นไม่ขัดข้องกับลุงชื่อ น, นั้นเท่าแก่ย้งรักใคร่ชอบพอกันกว่าใครอาจจะเป็นเพราะว่าแกเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันงานช่างของเทศบาลก็ต้องไปซื้อของที่ร้านเท่าแกย้งอยู่เสมอ เท่าแก่ยง้งมีลูกชายอยู่สองคนลูกชายคนโตชื่อจริงว่าอย่างไรลุงชื่นเองก็จําไม่ได้คนอื่นๆก็ไม่เคยถามว่าชื่ออะไรพากันเรียกตามเท่าแก่ย้งว่าตีเป็นพี่ของสมชายต่อมาเท่าแก่ยงล้มป่วยอย่างกระทันหันพวกญาติญาติที่บ้านเอาไปรักษาถึงกรุงเทพแต่ว่าอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นมีแต่ทรงกับสุดกลับมานอนแบบอยู่ที่บ้านลูกเมียของเท่าแก่ย้งก็ต่างพากันทําใจว่าเท่าแก่ย้งเองก็คงอยู่ได้ไม่นาน เมียของเท่าแก่ย้งถึงกับบอกลุงชื่นว่าถ้าเท่าแก่ย้งตายขอให้ลุงชื่นเป็นคนต่อโรงให้เพราะว่าชอบพอกันลุงชื่นได้แต่บอกว่าอย่าพูดเป็นลางอย่างนั้นเลยเท่าแก่ย้งกลับมานอนป่วยอยู่บ้านหลายเดือนไม่ยอมไปโรงพยาบาลไอตีบอกว่าเตี่ยไม่ยอมให้เอาไปนอนโรงพยาบาลขอตายอยู่ที่บ้านลุงชื่นบอก คืนวันนึงดึกมากแล้วลุงชื่นกําลังหลับอยู่ที่บ้านเราก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะว่าเสียงหมาเห่ากันครมที่หน้าประตูรัว้วแล้วก็มีเสียงร้องเรียกลุงชื่นแกลุกมาเปิดไฟบนบ้านเห็นลูกชายคนโตของเท่าแก่ย้งมารองเรียกอยู่ตรงประตูรัว้ววันนั้นไอ้ตีมันมายืนอยู่นอกรั้วบ้านมันบอกว่าอะชื่นอะชื่นช่วยต่อโลงให้หน่อยเอาด่วนเลยลุงชื่นจิบน้ําชาโฮกใหญ่เท่าแก่ย้งตายแหละครับผมสอดขึ้น ผมรู้ตั้งแต่เห็นไอ้ตีมาหาบอกมันว่าเตี่ยเองไปสบายแล้วเหรอวะตีเดี๋ยวอาจะลงมือทำให้ตอนนี้เลยให้ส่งรถจากร้านมาขนเอาตอนเช้าเรียกให้มันเข้ามาในบ้านก่อนมันก็บอกว่ามีธุระต้องทำหลายอย่างต้องรีบไปแล้วยังไงอะครับก็พอไอ้ตีมันกลับไปผมลงมาใต้ถุนเปิดไฟลงมือต่อโงให้เท่าแกยง้งไม้ไร่อะไรก็มีพร้อมอยู่แล้วกว่าจะเสร็จก็เกือบตีหและผมก็ขึ้นเรือนอาบน้าเข้านอน ตั้งใจว่าจะนอนต่อสักหีบ พ, พอตอนสายๆก็เกิดเรื่องยังไม่ทันจะได้พูดอะไรลุงชื่นก็เล่าต่อว่าวันนั้นเนี่ยผมตื่นอีกทีหนึ่งก็เกือบ8ปดโมงเตรียมตัวออกไปทํางานแต่นั่งรอให้ไอ้ตีส่งรถมาขนลงไปก่อนปรากฏว่าสมชายขับรถมาหาผมที่บ้านบอกว่าไอต้ตีพี่ชายตายขอให้ผมต่อลงให้ด่วนโอ้ก็เลยเป็นสองศพพร้อมกับเท่าแก่ยง้งผมพูด นึกในใจว่าช่างน้าสงสารแท้ลุงชื่นนิ่งไปสักครู่ก่อนที่จะเล่าต่ออย่างช้าๆตอนแรกอะผมก็นึกว่าอย่างนั้นแหละครับแต่พอคุยกับสมชายก็ได้ความว่าเท่าแก่ย้งนะ่ะยังไม่ตายคนที่ตายนะ่ยคือไอต้ตีพี่ชายเขาเมื่อคือนเนี่ยไปเที่ยวบาร์ที่จังหวัดขากลับคงจะเมารถตกสะพานที่กําลังสร้างใหม่จนเกือบสว่างตํารวจทางหลวงไปเจอเข้า กว่าจะเอาศพขึ้นมาได้ก็เกือบ7โมงตำรวจอ่ะเขาเพิ่งจะไปแจ้งที่บ้านเท่าแก่ยงอ้าวไหนลุงว่าในตีให้ลุงต่อโรงให้เตี่ยครับผมเล่าให้สมชายฟังเข้ากับบอกว่าเป็นไปไม่ได้ตำรวจที่ชนะสูตรศพเนี่ยยืนยันว่าที่ไอตีตายน่ะเราวราก่อนเที่ยงคืนตอนผมบอกว่าไอตีมาขอให้ต่อโรงน่ะสมชายไม่เชื่อจนผมพาไปดูโรงที่เพิ่งจะต่อเสร็จใหม่ๆมันปล่อยโฮเลย แล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าตอนไอ้ตีมาหาผมมันก็ไม่ได้บอกว่าเตี่ยมันตายบอกแค่ว่าให้ผมต่อลงผมสะดุง้งนี่แปลว่าเขามาขอให้ต่อลงให้ตัวเองครูรู้ไหมหลังจากเผาศพไอ้ตีเท่าแก่ย้งกลับดีวันดีคืนลุกขึ้นทํางานได้อย่างเก่าแต่ว่าอยู่มาได้อีกตั้งหลายปีเลยละ่ะ